ทั้งไม่ขวนขวายให้ผู้อื่นช่วยระงับในสิกขาบทที่ห้านั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานเป็นธุระนิเคปะสมุดฐานละ